ว่าตัวเองเนี่ยสามารถฝังปฏิสนธิจิตของตัวเองในในไข่ของสัตว์เหล่าอื่นได้ไหมถ้ามนุษย์ทั้งหลายในยุคใหม่ก็คือเป็นพวกชลาพุชะกําเนิดเกิดในไขน่ถ้าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทํายังไงที่จะฝังจิตในในอะไรในมดลูกสำเร็จถ้าไปฝังจิตโดยอาศัยองค์ประกอบทางรู ป, ปรกายเนี่ยนะสำเร็จก็ปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถามว่าฝังตัวเป็นมนุษย์กับฝังในไข่อไหนจะง่ายกกัน ฟังปติสนธิจิตของเราเนี่ยเอาฟังไว้ที่ไหนดีแม้แต่จะ ง, งอกเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่ของง่ายเนี่ยนะถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างเนี่ยไอ้ที่ได้มาเกิดเนี่ยมีปริมาณจํานวนน้อยมากไอ้ที่ไม่ได้เกิดเนี่ยมากกว่าอ่านหนังสือทางแพทย์เลยจะบอกว่าสัตว์ที่ที่ที่หมายคือว่าได้เกิดมาในคันเสร็จแล้วนะโอกาสรอดเนี่ยมันมีมากขนาดไหนถึงได้ฝังตัวในผนังมดลูกก็จริงอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องได้เกิดมาทั้งหมด โอกาสเกิดเนี่ยน้อยมากไอ้ที่เกิดมาแล้วล่ะที่จะมีใช้ชีวิตอยู่ล่ะที่มาเจริญเติบโตลแล้วก็ตายไปแล้วกลับมาฝังตัวเด็กได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะใจมันพร้อมที่จะตกไปสู่อบายทุกคติวินิบาตและนรกอนะนะตอนขณะ น, นี้ช่วงนี้กําลังสังเวชเกี่ยวกับเรื่องไก่มันถูกฆ่ามหาศารถูกฝังทั้งเป็นตักลูกเป็ดยังก็ตักอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะมัน นั่นแหละความเกิดแม้ความเกิดมันก็เป็นอย่างนีน้ถ้าไม่เกิดจะเป็นอย่างนั้นไหมนั่นก็คือความทุกข์แล้วจิตของเราเนี่ยพ้นจากการเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ไหมเอาอะไรมารับรองไข่ใบนี้ก็สวยไก่ตัวนี้ก็งามห่านตัวนี้หงส์ตัวนี้เอาคิดไปเนี่ยนะจิตเหล่านั้นน่ะนําเกิดได้ไหมได้ทั้งนั้ น, น่ะเชื่อไหมเยื่อใยที่เพาะปลูกได้ทุกที่นั้นปัญหาว่าถามว่าโลกนี้จริงๆอะไรน่ากลัวที่สุดความคิดของเรานี่แหละมันน่ากลัวที่สุด ตกนรกก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนําไปตกหรอกขึ้นสวรรค์ก็ไม่ใช่อะไรนําไปขึ้นมันอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นดังนั้นการศึกษาพระธรรมคาสอนเนี่ยทายังไงให้ความคิดมันมีสาระขึ้นสาระของความคิดอย่าลืมว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือสาระศ um ีลสมาธิป in ัญญามันก็อย yeah. ู่ที่ความคิดนั่นแหละกุศลจิตนั่นแหละเป็นศีลกุศลจิตนั่นแหละเป็นทานกุศลจิตนั่นแหละเป็นภาวนาเป็นสมาธิเป็นมรรคเป็นผล มันเป็นเรื่องของกุศลจิตทั้งนั้นเลยนี่เราทําไงให้จิตเนี่ยเป็นศีลสมาธิและเป็นปัญญาเป็นข้อปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนนันจะต้องเห็นอะไรทุกอย่างแล้วสะท้อนให้เกิดศีลสมาธิและปัญญาให้ได้ถ้ารับอารมณ์เหล่าใดเหล่าใดแล้วไม่เกิดศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะยากยากที่จะออกจากวัดแตทุกได้สําเร็จ เช่นเห็นคนเกิดเนี่ยนะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นอะไรทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราเจริญเป็นศีลสมาธิบัญญามไม่สำเร็จยอมว่าจะพ้นจากทุกข์ได้สำเร็จไหมไม่สำเร็จแน่นอนเพราะนัะี่โคโจรของสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือในขันห้าสมถะ ท, ทั้งหลายก็เวียนไปตามขันต่างๆวิปัสสนาทั้งหลายก็เวียนไปตามขันต่างๆเพรนั้นขันจึงเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนา ถ้าขันเหล่าใดเป็นที่เกิดแห่งกิเลสตัณหาขันเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอารมณ์แห่งเวปัสนาเนี่ย น, นะขันนั้นจึงเป็นอารมณ์ทั้งของสมถะและเป็นอารมณ์ของวิปัสนาแล้วเจริญอย่างไรอ่าขันเหล่านั้นจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสนาทีนี้ถ้าเรามาพูดวิปัสนาวิปัสนาอย่างไรก็เป็นการวิจัยเพื่อให้เห็นอรยิยสัจเนี่ย น, นะแล้วอรยิยสัจเนี่ยความหมายของทุกขสัจคือเบียดเบียนเราจะเห็นความเบียดเบียนของ ของตัวทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี่ขนาดไหนมั้นมาเรียนมหาปริณิพานสูตรเนี่ยทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกขันเนี่ยเบียดเบียนมหาศาล น, นะถูกขันเนี่ยเบียดเบียนมากขันธมานว่างั้นขันธมานเนี่ยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าจนถึงขนาดว่าทั้งป่วยทั้งไข้เดี๋ยวก็ค่อยๆกล่าวต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากอะไรนะเป็นผู้มีสรีระสุดท้ายทิ้งขันอันนี้แล้วพระองค์ไม่ถือขัน อีกต่อไปเลยพันธพระองค์ทิ้งกองทุกเหล่านี้เมื่อสองพันห้สเจ็ดปีพระองค์ไม่เคยถือเอาทุกข์อีกต่อไปตั้งแต่ บ, บัตรนี้ต่อไปอีกวันเวลาในอนาคตอจะเนิ่นนานขนาดไหนพระองค์จะไม่ถือเอากองทุกขเหล่าใหม่กองทุกใดใดใหม่ๆอีกต่อไปเลยทิ้งขันห้าแล้วไม่ถือเอาขันอีกต่อไปทิ้งอายตนะแล้วไม่ถือเอาอายตนะทิ้งฆาาแล้วไม่ถือเอ า, อา ธาตุคำว่าธาตุเนี่เป็นตัวจัดแจงทุกโดยประการต่างๆแร่เงินแร่ทองเนี่ยนะเป็นที่เป็นตัวจัดแจงอะไรข้าวของเครื่องใช้ที่สําเร็จด้วยด้วยช่วยทวงด้วยเงินธาตุดินเนี่ยเป็นตัวจัดแจงทําให้เกิดข้าวของเครื่องใช้ที่เกิดผลิตบลของดินแร่สังกสีแร่เช่นแร่อะไรนะอลูมิเนียมเนี่ยนะก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดภาชนะทั้งหลายกลม ข้าวของทั้งหลายที right? Music, cool ness, right? ่เราเรียกว่าธาตุเป็นตัวจัดแจงภาชนะจัดแจงอะไรทั้งหลายแหล่ฉันใดขันทั้งหลายเป็นตัวจัดแจงอะไรขันทั้งหลายเป็นตัวจัดแจงทุกขโดยอเนกประการเนี่ยนะจัดแจงทุกอันหาที่สุดไม่ได้ทุกทั้งมวลที่อยู่ในโลกเกิดจากขันนั่นแหละเป็นตัวจัดแจงขันทั้งหลายไหลมาจากเหตุถ้าดับเหตุได้ก็ดับขันได้ถ้าดับเหตุแห่งขันไม่ได้ก็ดับขัน ไม่ได้าการที่จะดับเหตุแห่งขันได้ดับตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานข้อปฏิบัติเพื่อดับขันอันนั้นคืออริยมรรตต้องเจริญอริยมรรตเพื่อดับเหตุคือสมุทัยให้ได้การที่จะบรรลุอริยมรรตโดยที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นไปไม่ได้ฉั้นคนศึกษาพระธรรมเนี่ยนะต้องตั้งอัธยาศัยที่เรียกว่าอันหนึ่งที่สําคัญมากคืออะโมหัธยาศัยอะโมหัธยาศัยเนี่ยแปลว่าอะโมหะบวกอัธยาศัยอะโมหะแปลว่าความไม่โง่เขลา ความฉลาดสติปัญญาปลูกฝังอัธยาศัยแห่งคนที่มีสติปัญญาปลูกฝังอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงที่สูงสุดคืออริยสัจต้องมีใจอันนั้นะจึงจะบรรลุได้ถ้าไม่มีใจอย่างนั้นจริงเนี่ยนะบรรลุไม่ได้เอาบางคนก็ถามว่าแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยมีใครอยากจะบรรลุอริยสัจบ้างไปพบพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็แสดงธรรมให้แล้วบรรลุเลย การที่บุคคลเหล่านั้นมาพบพระพุทธเจ้าไม่ใช่พบเพราะเหตุบังเอิญพระพุทธเจ้าตั้งใจจะไปพบเขาเพราะเขามีปัญญาที่จะเห็นอริยสัจได้พระองค์ก็เลยไปพบเขาบอกอริยสัจให้เขาทราบเขาก็เลยตรัสรู้อริยสัจตามที่พระองค์บอกทุกประการเพราะเขามีอัธยาศัยสังสมมาที่จะเห็นอริยสัจอย่างชาตินี้เนี่ยนะถ้าเราไม่มีอัธยาศัย จิตใจจดจ่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเห็นอริยสัจใครก็ช่วยให้เรารู้อริยสัจไม่ได้ประทับมาทำไมเพราะไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นไม่มีใครช่วยได้ถ้าใครไม่มีอัธยาศัยแห่งศีลช่วยให้เขามีศีลไม่ได้ถ้าใครไม่มีอัธยาศัยแห่งสมาธิหรืออะโลภาเนี่ยนะเราช่วยส่งเสริมให้เขาเกิดอะโลภาไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีอัธยาศัยแห่งปัญญาก็ช่วยให้เขาเกิดปัญญาไม่ได้ เพราะคำพูดที่ปราลบอะโลภคนมีโลภมากไม่ชอบคำพูดที่ปรารบอโทสะคนมักโกรธไม่ชอบคำพูดที่ปรารบอะโมหะความไม่รุ่มหลงคนมีโมหะไม่ชอบคำพูดที่ปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบคำพูดที่ปรารบสมถะหรือสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบคำพูดที่ทปรารบปัญญาคนโง่เขลาไม่ชอบคนที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่วัตะ คำบอกกล่าวแนะนําเรื่องวิวัติเข้าไม่ชอบเนี่นะเข้าไม่ต้องการที่เขาไม่ต้องการเพราะเขาไม่มีอัธยาศัยนี่ตั้งคําถามว่าออาแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าเรามีอัธยาศัยจะรู้ได้หรือไม่ก็ถามใจเราจริงๆว่าเราฝ่ที่จะเห็นอริยสัจจริงหรือใจเรามันก็บอกหมดแล้วว่าอยากเห็นอริยสัจจริงหรือไม่อยากเห็นจริงเต้นถามดูแล้วมันไม่เอาเลย ดอกไม้ดอกเดียวก็ดีกว่าการเห็นอริยสัจรองเท้าคู่หนึ่งก็มีราคามากกว่าการรู้อริยสัจเสื้อผ้าตัวหนึ่งก็ดีกว่าอริยสัจตั้งเยอะแยะเนี่ยนะอันนี้บางคนบอกไม่จริงเถียงเลยเราไม่จริงอริเสื้อผ้ามันจะไปดีกว่าอริยสัจได้ยังไงอันนี้ก็อันเนี้ยใช่แต่มีหลายๆครั้งที่เราจับผ้าเราเคยเห็นคิดถึงอริยสัจบ้างไหมถ้าอริยสัจดีจริงเราต้องคิดอริยสัจมากกว่าคิดถึง เสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอย่าจับเสื้อผ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายเขาว่าเมื่อมีคิดถึงเสื้อผ้าแล้วเห็นอริยสัตว์อยู่ตรงนั้นด้วยไหมอา้าวแล้วก็ไม่คิดถึงอริยสัตวบอกว่าอุ้ยชอบอริยสัตว์เหลือเกินแต่คิดถึงอริยสัต์แทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะอริยสัตว์ดีเหลือเกินแต่บอกว่าถ้าคนที่เรียนอริยสัตว์มาดีเนี่ย น, นะเห็นอะไรคิดอะไรไมันจะเห็นอริยสัตว์อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแม้แต่อ่านพระไตรปิฎกมันจะเห็นอริยสัตว์พูดถึงใใครรเเออาาไม่่ชทุกขัหื เขาไม่ใช่อุปาทานนักขันห้าหรือเขาไม่เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นหรือมันก็เข้าอริยสัจหมดหรือแล้วใช่ไหมปัญหาว่าเราอยากจะเห็นอริยสัจหรือไม่ถ้ามีจิตใจฝักใฝ่ที่จะเห็นอริยสัจพูดถึงอะไรมั่งในโลกนี้ที่ไม่ใช่สัจจะเนี่ยนะแต่ว่ามันต้องเรียนให้ครบสีด้านเนี่ยนะอริยสัจมีสี่ <und S 1> ใช่ต้องเรียนให้ครบสี่ด้านแต่ถ้าไม่เห็นด้านที่หนึ่งที่มันเห็นง่ายๆคือทุกขสัจยากที่จะเห็นสัจจะอื่นตามตามมา ถ้าไม่เห็นทุกขสัจจะจะไปเห็นสมุทัยสัจจะเห็นนิโรธสัจจะเห็นมรรคสัจจะก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ทีนี้บางคนบอกว่าขึ้นมรรคสัจะเลยขึ้นมรรคสัจเลยง่ายดีถ้าไม่รู้ทุกเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักทุกขสัจจะถึงไปปฏิบัติเลยก็ปฏิบัติไปแล้วไม่รอดพันสีนมันจึงมีอศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนามันจึงประเภทอย่างเลวอย่างกลางอย่างประณีตแล้วก็ ใกล้ตรัสรู้เนี่ยนะอย่างเลวก็บอกว่าเดี๋ยวก็เลิกเเจริญศีลหรือสมาทานไปอย่างงั้นเดี๋ยวก็เลิกแล้วเจริญสมาธิอออีไม่นานเดี๋ยวก็เลิกเจริญปัญญาหรือไม่นานก็เลิกศีลสมาธิปัญญาถ้าเจริญโดยที่ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายไม่รู้จักทุกว่าการปฏิบัติอย่างนี้เพื่อความดับทุกข์ถ้าไม่รู้จริงยังไงก็เป็นหานะภากยะได้เจริญชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อวานก่อนเมื่อวานซืนคุยกับโยม คนขับรถบอกยอมไอ้ที่ทําทําอยู่เนี่ยเขามาเห็นผลสองประการอั น, นะต้องการกําไรสองประการเนี่ยจึงทําอยู่เหมือนทุกวันเนี่ยบอกสองประการคืออะไรหนึ่งถ้าคนที่เขามีบุญวาสนาเขาสั่งสมมาในอดีตดีเขาจะได้เรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะได้รู้เห็นและบรรลุตามพระพุทธเจ้า ทีนี้แต่ถ้าพวกสังสมมาไม่ดีล่ะก็ให้ปลูกฝังอุปนิสัยบอกว่าตอนนี้กําลังมีโครงการเพราะเมล็ดพันธุ์ไม้สักนะะไม่รู้เอาเมล็ดพันุเนี่ยหยดลงไปในดินถามว่ามันจะเมื่อไหร่จะเป็นไม้สรงอ่ะแต่จริงๆรอ่ะต้องการไม้สรงมาสร้างสร้างอะไรที่มันจะใหญ่อ่ะนะแต่ว่ามันอย่างเนี้ยดินอย่างเงี้ยมันต้องเพาะเมล็ดพันุ์อย่างเดียวเอาเมล็ดพันธุเนี่ยหยดลงไปถามว่าเมื่อไหร่จะได้สูงใช้บอกทําใจให้สบายเถอะ หยอดเสร็จแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปคิดเรื่องอื่นที่ดินผืนที่แปลงเพราะที่เพาะปลูกเมล็ดลงไปก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นน่ะขอให้เพาะเมล็ดพันุ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันพยายามทํำยังไงว่าให้คนเนี่ยมีอัธยาศัยที่จะรู้อริยศาสตร์อีกห้าล้านชาติข้างหน้าก็มก็รอได้เหมือนกันเถอะเพราะยังไงเขาก็อยู่ในวัตฏะอยู่แล้วเชื่อเนี่ยนะมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะมันก็เฝ้าวัฏฏะเขาบอกว่าความจริงที่จะทําให้พ้นทุกข์มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือ อริยสัจจะรู้อย่างอื่นยังไงมันก็ไม่พ้นทุกุรู้อย่างอื่นแล้วเบื้องต้นสุขแต่ว่านํามาซึ่งความทุกุรู้ความจริงแล้วพ้นจากทุกมันมีอย่างเดียวคือรู้อริยสัจเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าเขาไม่มีอัจฉิยาสัยที่จะรู้อริยสัจยังไงเขาก็ไม่พ้นจากทุกอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้รับรองได้เลยแล้วเอาอะไรมารับรองว่าคุณพ้นทุกถ้าไม่รู้เห็นอริยสัจเรานั้นความรู้เห็นที่จะพ้นทุกได้มีอย่างเดียวคือเห็นอริยสัจทีนี้ถ้า เบื้องต้นเนี่ยนะเขาไม่ปรารถนาจะรู้เอาพูดว่าอริยสัจนี่ดีนะงนั้นอย่างเงี้ยอีกห้าล้านชาติเขาจะรู้ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะเขาไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อ ต, อตอไปฟังธรรมน่านะอาจจะได้บรรลุ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอย่างพวกเราเองก็เหมือนกันย้อนกลับมาว่าเราเอาอะไรมารับรองว่าเราเนี่ยใยที่จะเห็นอริยสัจแม้แต่นึกถึงตัวเองเมื่อไรเลยเนี่ยนะนึกถึงอริยสัจไหมอย่างแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ เราคิดถึงคําหรือว่าคิดถึงความจริงเช่นเวลาสวดแม้ความเกิดก็เป็นทุกนึกถึงตัวเองเลยนะสวดนั่งเมื่อปนมมือไปแม้การที่เราเกิดมานี่มันทุกข์แค้ไอ้คาว่าทุกไม่ได้แปลว่านั่งร้องให้น้ําตาซับผักซับน้ําตาตลอดเวลาไม่ใช่คําว่าความเกิดก็เป็นทุกดูสิภาระที่เรารับใครมานั่งคิดถึงตัวเองนะภาระเนี่ยตั้งในรอบ24ชั่วโมงนี่มีภาระรับอะไรมั่งเออ รับภาระมหาศาลมันเกิดเนี่ยทุกแท้ความแก่ก็เป็นทุกตอนแรกเนี่ยภาระที่มีอยู่ตอนที่ไม่ค่อยแก่แม้รับได้ตอนนี้ความแก่เนี่ยช่างทุกแท้เนี่ยมาคอยเบียดเบียนคอยย่ายีเดี๋ยวก็ตีถูกตีทั้งแต่เท้าโจก ด, ด้วยนะ่ะศีรษะนะั่นแหะเดี๋ยวก็ตีแข้งตีขาตีเขา่าตีหลังตีโอ้เดี๋ยวก็ถูกทุบซะจนปวดเมื่อยไปหมดเป็นต้นนะ่ยนะมันก็ถูกตีทั้งนั้นแหละนะ บางทีก็ถูกทิมบ้างหอกน้อยน้อทิมก็เรียกว่าเข็มฉีดยาก็ไล่ไปจนถึงะถูกหอกจริงๆวันที่มันแทงเอาเนี่ยนะนั้นความแก่ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ในที่สุดถ้าเราตายก็เป็นทุกข์แล้วทีนี้ปัญหาสําคัญเนี่ยนะมันทุกข์จริงๆริงและทุกคนมันเดินไปสู่ความตายเหมือนกันหมดโดยที่สุดแม้แต่ผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ดำรงพระชนอยู่พระองค์คลืบคลานชีวิตทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยเพื่อไปหาความตายแต่ว่า ตายของพระพุทธเจ้าเป็นการตายที่ดับเหตุแห่งความตายได้แล้วซึ่งเทียบกับปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะไปสร้างเหตุแห่งความตายต่อต่ อ, ตอไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเรียกว่าไปตายนะบอกว่าพูดแบบตรงตัวเลยนะย่อความให้มันสั้นบอกไปไหนไปหาชราและมรณะเนี่ยนะถามว่าถ้าชรามรณะจบแล้วไปทำอะไรไปเกิดไงเกิดแล้วก็ตาย ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายมันเหตุแห่งความเกิดและความตายนี่ทำยังไงจะรู้จักธรรมที่ให้พ้นจากความเกิดและความตายการที่เราจะรู้จักธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดและความตายได้เราต้องเป็นคนที่คิดเรื่องความเกิดและความตายเนี่ยมากจึงจะตรัสรู้ธรรมที่ดับความเกิดและความตายการเห็นอริยสัจเนี่ยนะธรรมที่ดับความเกิดและความตายไม่ใช่เป็นเรื่องฟุกเลย ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้ปฏิพานไหวพริบเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเพาะบลุเลยไม่ใช่ทั้งนั้นเนี่เป็นเรื่องของการสะสมความรู้สะสมอัธยาสายสะสมความเข้าใจให้เติบโตจนจนถึงที่สุดอ่ะนะสะสมปัญญาจากปัญญาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยที่คิดเออนี่เกิดนี่แก่นี่เจ็บนี่ตายนี่รู้นี่เวทนาแต่ละครั้งที่คิดเป็นสะสมปัญญาทีละเล็กทีละน้อยเรียกว่าปริตตะ